ลืมสติแล้วหลงกระทำบาปกรรมย่อมเกิดขึ้นได้โดยทั่วไปสำหรับผู้ที่ยังมีกิเลสอยู่สัตว์ทั้งหลายมีกรรมเป็นของของตนกรรมที่บุคคลทำไว้ดีหรือชั่วก็ตามบุคคลนั้นย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้น สือธรรมะสร้างสรรค์พุทธศาสนาและสังคมขอเสนอเรื่องกฎแห่งกรรมชุดที่4โดยได้นำเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจหลายเรื่องเพื่อแสดงให้เห็นถึงเรื่องของกรรมดีและกรรมชั่วรวบรวมเรียบเรียงและจัดทำโดย สนทิชัยทวีโชคกรับสินม้วนที่หนึ่ง ต่อไปเป็นเรื่องของชัมพุกาชีวกในสมัยแห่งพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระนามว่ากสปัตกุลุมพีคนหนึ่งได้สร้างวิหารที่อยู่ถวายพระเถระรูปหนึ่งแล้วก็ได้บำรุงด้วยปัจจัยสีบแก่พระเถระรูปนั้น ฉันอาหารอยู่ในเรือนของกุดุมผีเป็นประจำครั้นถึงกาลวันหนึ่งได้มีพิสุ ข, ขีนาศพคือผู้ที่สิ้นกิเลสแล้วรูปหนึ่งเดินเที่ยวบินทบาทมาก็าได้มาถึงเรือนของกุดุมผีนั้นกุดุมผีครั้นเห็นพิสุขีขนาศพ มีอริยบทที่น่าเลื่อมใสจึงได้นิมนต์เข้าไปในเรือนของตนเลี้ยงดูด้วยโภชนาหารอันปราณีถวายผ้าสาดกขืนใหญ่ท่านได้กล่าวว่าท่านผู้เจริญท่าน พ, นานพึงย้อมผ้าสาดกแล้วนุ่งผมเถิดผมของท่านน่ะก็ได้ยาวขึ้นแล้วข้าพเจ้าจะจัดคนจัดช่างกระระบบมาปรุงผมของท่านแล้วจะจัดเตียงจัดต่าง ดพวยท่านด้วยพระเถระผู้ฉันอาหารอยู่เป็นประจำในเรือนก็ได้เห็นอาการที่กุลุมมีแสดงแก่พระขีนาศแล้วสการะที่เขาทำแล้วแก่ท่านจึงมีจิตรัษยาเกิดขึ้นไม่อาจจะอดกั้นไว้ได้ห่างคิดอยู่ในใจว่า โกดมพีได้ทำสการะสั ม, มาเน็แต่วิสุอันตนซึ่งพบเห็นเพียงชั่วครู่เดียวถึงป่านนี้เออแต่เราสิรู้จักกันมานานไม่เคยเห็นคำกับเราอย่างนี้บ้างเล ย, ยวิสุขีนาศสก็ได้ไปสู่วิหารพร้อมกับพระเถระเจ้าของถิ่น ได้ย้อมผ้าสาดกที่กุดุมพีถวายและนุ่งผมกุดุมพีก็ได้พาช่างกระบกไปปรุงผมให้ท่านแล้วให้คนจับเตียงต่างถวายแล้วนิ ม, มนต์พระเทรทังสองรูปเพื่อฉันในเรือของตนในวันรุ่งขึ้นพี่สุ้าถิ่นเดือดร้อนใจเดือดรงฤษยาไม่อาจอดกลั้น เวลาเย็นก็ได้เข้าไปหาพระขีณาสพจะด้วยคำอาการต่างๆดังนี้ว่าอาการปอนอานกันตุกะเพื่อการที่ท่านจะพึงเชียวอุจาระอ้ยังประเสริฐกว่าการบริโภคอาหารในเรือนของกุลุมพีเลยท่านให้ถอนผมด้วยแปลงตาลก็ดีกว่าปลงผมด้วยช่งางระบบที่กุลุมพีนํามา และการเปิดกายของท่านน่ะประเสริฐกว่าการนุ่งหอมผ้าสาดกที่คุณุงผีถวายซะด้วยเออการนอนเหนือแผ่นดินของท่านน่ะประเสริฐกว่านอบนเตียงที่คุณุงผีนำมาให้เลยพระเถระผู้เป็นผีนาศพได้ฟังดังนั้นเข้าใจถึงความรู้สึกของพิสูจน์เจ้าถิ่นโดยตลอดต่างคิดว่าคนผ่านนี้ย่าได้ต้องวอดบายพ่อเราเลย คิดดังนี้แล้วก็ได้ลุกขึ้นไปแต่เช้าตรู่ไม่ได้คํานึงถึงการนึมนต์ของกุฎุมีฝ่ายพิสุขเจ้าของถิ่นตื่นแต่เช้าทําสิ่งที่ควรทําเช่นกวาดลานวัดเป็นต้นแล้วเคาะระฆังด้วยหลังเล็บื่อเกรงพิสุขศีนาศพจะตื่นด้วยเสียงระฆังแล้วเข้าสู่บ้านเพื่อบินทบาตต่อไป กุดุมพีทำสการะแต่พระเถระอย่างที่เคยทำเมื่อไม่เห็นพระขีนาศพจึงได้ถามว่าทำไมท่านถึงไม่ได้มาด้วยล่ะอ๋อยอย่าได้พูดถึงเขาเลยเมื่อวานนี้พอท่านกลับไปเท่านั้นแหละเขาก็ล้มลงนอนเพราะจนบ่าย น, นี้ยังไม่ตื่อเลยกระมังเออตอนเช้าเมื่ออาทิตมากวาดวิหาปรปอกงามใส่หม้อ แต่ยกรักร้ังด้วยเสียงอันดังแล้วเขาก็ยังไม่รู้สึกโอ้ยังนอนหลับอยู่สบายละมัง้งคุดุมผีพิจารณาคำของพระเถระและนะท่าทางที่พูดแล้วไม่เชื่อว่าจะเป็นจริงดังนั้นเพราะผู้มีอริยาบทเช่นนั้น ย่อมไม่นอนมากอย่างที่พิสุนั้นกล่าวอย่างแน่นอนพิสุนี้คงจะไม่ยินดีในสัการะที่เราทำแล้วแก่พระศีนาศแน่เขาได้ล้างบาศของพระเถระนั้นแล้วบรรจุอาหารให้เต็มด้วยปราณนี้พาไปถวายพระศรีนาศและเลี้ยงพิสุนั้นให้อิ่มหนำเท่เรือนของตนด้วยความครบเหมือนเดิม ีิสู่เจ้าถิ่งทางได้คิดอยู่ในใจว่าเอถ้าพระอาพันตุกะได้ฉันอาหารอันปลานี่ถึงป่านี้เออเธอจะเต็ดในรถอาหารแล้วท้องอยู่แต่ในที่นี้ไม่ยอมไปที่อื่นกปนแน่เลยเออเอาอย่างนี้ดีกว่าก็เดี๋ยวแอบเอาบินสบาทนะักทิ้งในระหว่างทางก็ดีกว่านะมั้ง คิดดังนี้แล้วก็ได้ทิ้งบินธบาตนั้นเสียในยระหว่างทางไปสู่ที่อยู่ของพระขีนาสกแต่ก็ไม่ได้เห็นท่านสมณธรรมอันพิสูจน์นั้นทำมาเป็นเวลานานถึงสองหมื่นปีก็มิอาจช่วยได้เพราะการเบียดเบียนพระอระหันต์นั้นเมื่อสิ้นชีพแล้วไปเกิดในนรกอเวจีเสวยทุกข์เป็นอันมาก ขุนพุทธันดอนหนึ่งขนมาถึงพุทธกาสนี้เขาได้เกิดในตระกูลบัางข้างตระกูลหนึ่งในเมืองราชคลื่นนั่นเองเมื่อเขาได้เกิดมาตั้งแต่เด็กก็พอเดินได้ไม่ต้องการนอนบนที่นอนไม่ต้องบริโภคอาหารเช่นข้าวสวยหรือข้าวต้มกินแต่อุจจาระของตนเอง มานดาบิดาก็เข้าใจว่าลูกประพฤติเช่นนั้นเพาเพราะยังเด็กอยู่ชั้นเวลาเติบโตขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วเขาก็ไม่อาจละความประพฤติเช่นนั้นนั่นคือไม่นุ่งผ้าชอบเปลือยกายชอบนอนบนพื้นดินแล้วกินอุจจาระของตนเองมานดาบิดาของเขาทางคิดว่าโอ้สงสัยลูกของเราคนนี้จะทำให้สกุลเสื่อมเสียได้ เขาไม่ควรอยู่ในเรื่องของเราเลยเออควรบวชหนีในสำนักของอาชกทั้งหลายจะดีกว่ามาั้งแล้วพ่อแม่ของเขาก็ได้นํำเขาไปบวชในสำนักของอาชีวกคือนักบวชลัที่หนึ่งเมื่อได้บวชแล้วเขาถอนผมด้วยแปลงตาเมื่อมารดาพิดาของเขา เชิญอาชีวกทั้งหลายไปบริโภคอาหารเจริญของตนเขาก็ไม่ไปพออาชีวกทั้งหลายไปแล้วเขาเรีบเปิดประตูวตัจะกุดีคือซุวมลงไปปั้นอุจจระให้เป็นคำคำและบริโภคมีคนนำอาหารมาจากบ้านของเขาเขาก็ไม่กินเมื่อพวกอาชีวกทั้งหลายกลับมาถามเขาว่าได้อาหารจากที่ใดเขาบอกว่าได้ที่นี่เอง ในวันต่อๆมาก็เหมือนกันเขาไม่ยอมไปในที่นิมนต์ของพวกอาชีวกทั้งหลายคำความสงสัยแก่อาชิวกเป็นอันมากเขาผู้นี้ได้อาหารจากที่ไหนอย่างไรและแล้ววันหนึ่งอาชิวกจึงให้พวกของตนสองคนคอยจับกริยาของ ชัมพูกาชิวกนั้นนอกนั้นก็ได้เข้าไปบริโภคอาหารในบ้านชัมพูกาชิวกเข้าใจว่าอาชิวกทั้งหมดนั้นไปแล้วจึงรีบเปิดประตูส้วมลงไปกินอุจจาระอย่างเคยอาชิวกสองคนเห็นพฤติกรรมนั้นหมดจึงบอกแต่อาชิวกทั้งหลายพวกอาชิวกทั้งหลายจึงได้คิดว่าโอ้ยคำนี้หนักเนาะ หากสาวกของสมณโคโดมรู้เข้าแล้วโอ้ยอับอายขายที่หน้าจังเลยเออเราจะทำอย่างไรดีลนะ่ะออกอย่างนี้ก็แล้วกันนะพวกเราพวกเราเนี่ยครับทำภู ก, การชีวกออกจากสำนักเราก็หมดเรื่องพวกท่านเห็นด้วยหรือไม่เล่าอาชีวกทั้งหลาย มีความเห็นตรงกันจึงได้ขับไล่ชัมพูกาชีวกออกจากสนักของตนไปชัมภูกาชีวกไปอาศัยอยู่ที่หินดานแห่งหนึ่งสำหรับประชาชนมาถ่ายอุจระจึงได้กินอุจระที่ประชาชนมาถ่ายไว้เป็นเวลาปกติเอามือข้างหนึ่งเหนี่ยวก้อนหินยกเท้าข้างหนึ่งขึ้นพาดบนเขา่ายืนเงยหน้าอ้าปากอยู่ มหาชนคนโง่ทั้งหลายเมื่อเข้าไปหาเขาแล้วจึงได้เกิดความเลื่อมใสพวกเขาได้ไหว้สัมภูกาชีวกแล้วจึงได้ถามว่าเหตุใดท่านจึงได้อ้าปากยกขาทางหนึ่งขึ้นพาดเข่าเล่าพอเรามม่จบับสูงระบ ก, กล้าหากเราเหยียบแผงยิ น, นด้วยเท้าทั้งสองแล้วแผงยิน จ, นจะไหว แต่ยกขาข้างหนึ่งขึ้นเลี้ยโซนที่อ้าปากนั้นอะ่ะเพราะเรามีลมเป็นักษาไม่กินขอนอย่างอื่นเลยเรายืน อ, อยู่อย่างนี้ทั้งวันทั้งคืนไม่นั่งไม่นอนเลยฮนะมนุษย์งโง่ทั้งหลายได้ฟังดังนั้นก็เกิดความเลื่อมใสขึ้นลือกระถ่นไปทั่วแคว้นอังคะและมะคธมหาชนจากแคว้นทั้งสองนำสักการะเป็นอันมากมาให้ทุกเดือนอาชีวก กล่าวว่าเรามันอยากกินอาหารอย่างอื่นเลยกิงแต่ล้มอย่างเดียวก็พอแล้วเออหากกินอาหารอย่างอื่นตะบะอาจจะเื่อมได้นะดังนี้แล้วไม่ปราฐนานจะรับอาหารอะไรจากพวกมนุษย์ที่หลงงมงายนํามาให้พวกมนุษย์ทั้งหลายจึงได้อ้อนวอนอยู่บ่อยๆว่าให้รับอาหารของตนเถิดเพื่อประโยชน์และความสุขแทนเป็นบุญกุศลสําหรับพวกเขา อาชีวศิลปได้กล่าวว่าอดเขาไม่ต้อ ง, องการอาหารอย่างอื่นเลยนอกจากลม้มเออแต่ว่าในเมื่อบททั้งหลายถืออ่อนหวอเราเออเอาอย่างนี้ก็แล้วกันนะเออขอให้พวกท่านนะ่ะเอาปลายหญ้าคานะนะั้นอ่ะวางอยูบนอาหารอันมีเนยใสเป็นต้นแล้วก็เอาปลายหญ้าคานะนะั้นอ่ะมาแตะที่ปลายลิ้นของเราก็แล้วกันเออแค่นี้ก็เพียงการเพียงพอสำหรับพวกท่านทั้งหลายแล้ว เขาประพฤติตนเป็นคนเปลย์ิินอุจจาระถอนผมนอนบนแผ่นดินอยู่เช่นนี้ล่วงไปห้าสิบห้าปีด้วยประการชนี้และแล้ว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 ย่อมมาสู่สำนักของบรรพชิตด้วยกันพวกสัตย่อมไปสู่สำนักของสัตว์ท่านยองให้ที่อยู่แก่เราเถิดขอท่านเป็นบรรพชิตด้วยหรือใช่แล้วชังภูกาลเราเป็นบรรพชิตข้าท่านเป็นบรรพชิตเ อ, อเจ้าน้าของท่าน อ, อยู่ที่ไหนละ่ะเออและทัพที่สำหรับโกควันของท่าน อ, อยู่ที่ไหนเออและได้สำหรับบูชายันของท่าน่ะ อยู่ที่ไหนเหล่าเต<อ>้าน้ำเป็นต้นของเรานั้ น, ม, นมีอยู่แต่เร า, เ, <อ>าเก็บไว้ไ <ป S 1> ภายในด้วยเห็นว่าถือไปแต่ละอย่างก็จะเป็นเรื่องรุงรังลำบากเปล่าๆอาชิวกฟังดังนั้นแล้วมีความโกรธ ถ, ถามพระสัรดาต่อไปว่านี่นะท่านท่านเป็นก็นประชิดอย่างไรกันนะโอ้เต้าน้ำก็ไม่มีอะไรอะไรก็ไม่มี เออแล้วอย่างนี้จะเป็นสัญลักษณแห่งบรรพชิตได้อย่างไรข้าพระเจ้าจะเชื่อได้อย่างไรว่าท่านน่ะเป็นบรรพชิตจริงชัมผูกกัดช่างเหินอยากโดดเราเลยขอจงบอกที่อยู่แก่เราเถิดชั้พันธุที่อยู่ในที่นี้ไมครับก็ที่เนื้อมนั้นใครอยู่เล่าชัมผูกกัดอ๋อใม่รี้ใครอยู่เลย ถ้าอย่างนั้นเราขออยู่ที่เนื้อมนั้นแหละออกป อ, อกตามใจท่านติ๊ก็รำคาญจริงๆพระาศาสดาไปตกทับที่เนื้อมนั้นตกกลางคืนก็ได้มีเทวดามาเฝ้าพระองค์เจ้าเป็นจานวนมาก เหล่าเทวดาที่มาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้านั้นมีเป็นต้นว่าเท้ามหาราชทั้งสี่เท้ามหาพรมเท้าสักกะเทวราเป็นต้นมีแสงสว่างอยู่ตลอดทั้งคืนโดยอนุภาพของเทวดาเหล่านั้นชามุกกาชีบก็ได้เห็นแสงสว่างนั้นด้วย รุ่งขึ้นชัมภูกระได้ไปเฝ้าพระพุทธเจ้าทูลถามว่าอ๋อเพราะเหตุใดถไหนเมื่อเคอนเนียจึงมีแสงสว่างใ น, นที่ประทับของท่านตลอดเวลาราตรีเน่าพวกเทพพากันมาชัมพูกะระเพราะเทพเหล่าไหนบ้างหลักมีเท้าหมาร่าทั้งสี่เท้าสักราชยราแล้วเท้าหมาพรมเป็นต้น แถวแถวนั้นมาทำอะไรลนะ่ะมาเพื่อบำรุงเราโอโอนิทันเป็นผู้ยอดเยี่ยมกว่าเท้าสักกะเป็นต้นักหรือแน่นอนธรรมภูกกติกเรายอดเยี่ยมกว่าแทั้ทั้งปวงเท้าสักกะนั้นเมื่อเราป่วย ก, ก็มาปฏบิบัติบำรุงเราเหมือนสามเณรน้อยแมท้าหมาพมก็มาสู่ที่บำรุงเราเรา เป็นพมยิ่งกว่าพมเพราะน่เนี่ย ม, มหาสมุทเออท่านนี่ดูแล้วก็เป็นผู้ที่นะอัศจรรย์แท้จริงข้าพเจ้าอยู่ที่นี่มาต้องห้าิบห้าปีแล้วไม่เคยมีเทพใดมาปฏบิบัติบำรุงเลยแนมะ้แต่เพียงองค์เดียว ก็ข้าพเจ้ามีลมเป็นพักสาดและก็อยู่ด้วยอัจยะบทยืนอย่างเยวอย่างนี้ไม่นั่งไม่นอนสิ่งเวลาการนานปานนี้แล้วเทวดาก็ไม่ให้่เรื่องใดเลยไม่เคยมาบังกรุงเลยชัมภูกระท่านนั้นหลอกลวงมหาชนพู้โง่เขลามานาแล้วแล้วจะมายังหลอกลวงเราอีกหรอกหรือแม้ในการก่อนท่านเคยมีทิตฐิชั่ว จึงต้องมาอยู่ในสภาพอย่างนี้คือต้องกินอุจระนอนบนแผ่นดินเปลยกายถอนผมด้วยแปลงตาเพราะทิฐิอันชั่วนด้ปางก่อนมาบัดนี้เล่าท่านก็ยังถือทิฐิชั่วยังอยู่อยอกหรือมหาธรรมณะโค้คาพรเ จ, จ้าได้ทำกรรมอะไรไว้ดอกหรือเรื่อดับนั้นพระาศาสดาได้ตัดเล่ากรรมที่เข้าทาแล้วในอดีต สมัยที่เป็นพิสุกเจ้าถิน่นเบียดเบียนพระฉีนาสงความสลด ส, สังเวชได้เกิดแก่ชัมพูกะเป็นอันมากฮิอริโอตะปะก็ได้เกิดขึ้นเขาลุกขึ้นนั่งกระโยงประนมมือพระาศาสดาโยนผ้าสาดกสำหรับใช้อาบน้ำให้ไปเขานุ่งผ้านั้นถวายบังคมพระาศาสดาแล้วนั่งอยู่ พระผู้มีพระรากเจ้าได้ตรัสอนุบุคพิกาถาและธรรมเทศนาอื่นๆโดยอนเนกภรรยายเมื่อจบเทศนาเขาได้บรรลุอัตราผลพร้อมด้วยปฏิสัมิทาทั้งหลายแล้วทูลขอบรรพชาอุปสมบทกรรมในปางก่อนของชรรมผูกะได้ชิ้นแล้วเพราะอนุภาพแห่งอัตราตผลนั้นสมณธรรมอันเธอได้ทำมาสองหมื่นปีนั้นยังมีผลอยู่ ไม่มีสิ่งใดงทำลายได้สิ่งนั้นเป็นอุปนิสัยตัดใจให้เธอได้สำเร็จอรรตผลโดยพันพระาศาสดาทรงประทานเอหิพิขุอุปสมบทแก่เขา วันที่ชาวอังคะและชาวมคตมาสวาสการะแก่ชัมภุกะเช่นเคยพวกเขาจึงได้พากันมาเป็นจํา น, นวนมากได้เห็นรัตถาคธและชัมภูกะซึ่งเปลี่ยนแปลงไปแล้วจึงมีความสงสัยคิดกันว่าเฮ้ยใครเป็นใหญ่กันเนี่ยหาพระสมณะโคดมเป็นใหญ่ออชัมภูกะก็น่าจะเปู่สํนานสำคัญของพระสมณโคดมสี่ เอนี่พระสมณโคดมมาสู่สำนักของชัมพูกะหรือว่าชัมภูกะของเราเป็นใหญ่กว่านี่พระศาสดาทรงทราบความคิดของมหาชนทั้งหลายแล้วรับสั่งให้ชัมพูกะแก้ข้อสงสัยนั้น ข้าว่าเจ้าคือทรามผูะ้ะบัดนี้ขอประกาศให้ท่านทั้งหลายทราบว่าเออรัชศดานั้นเป็นรมโครของเราเราเป็นสาวกของพระผู้มีพระภ า, า, าคเาาจ้ามามทั่มาชนทั้งหลายได้ทราบความนั้นแล้ว ก็เห็นความอัศจรรย์ของพระศาสดาพระศาสดาทรงประสงค์จะประกาศธรรมอันถูกต้องแก่มหาชนทั้งหลายจึงได้กลัาว่าท่านทั้งหลายท่านูกะได้วาสการะที่ท่านนำมาวางไว้แล้วที่ปลายดิ้นด้วยปลายย่าคาเพราะความเข้าใจว่าตนตรัสรู้บำเพ็ญตบะการกระทำเช่นนั้นของเธอแม้หนึ่งรอยปี ก็สู้กูสลเจตนาอย่างที่เธอมีอยู่ในบัตรนี้ไม่ได้คือเธอไม่มีเจตนาบริโภคด้วยความหลอกลวงอีกต่อไปแล้วธบ ทุ่มुทบอกว่าอัมพรนั้นก็ชา ต่อไปเป็นเรื่องของโพธิราชกุมารโพธิราชกุมารได้ให้นายช่างสร้างปราสาทชื่อกโ ก, กนต์แปลว่าดอกบัวดแดงมีความสวยงามมากเหมือนลอยอยู่ในอากาศไม่เหมือนปราสาทใดในพื้นพิภ พ, พ, พนี้ ไม่มีปร า, าสาทใดเหมือนได้พระธิราจุกมารเห็นปร า, าสาทแล้วทรงพอพระทัยเป็นอย่างสูงต้องการให้ปร า, าสาทนี้มีหนึ่งเดียวเท่านั้นไม่ต้องการให้ใครมาเป็นคู่แข่งจึงได้ตรัสถามนายช่างว่าปร า, าสาทอย่างเนี้ยนายช่างเคยสร้างที่อื่นบ้างหรือไม่หรือว่าเป็นงานชิ้นแรก ก็เป็นงานชิ้นแรกเราครับไม่เคยทําอย่างเนี้ยให้กับใครเลยราชกมุมารทรงดําริดอยู่ในใจว่าถ้าปล่อยนายช่างไว้ไวเขาก็อาจจะสร้างปราสาทอย่างเนี้ให้กับผู้อื่นได้และปราสาทของเราก็คงจะไม่อศัศจรรย์<ว>เราควรจะฆ่านายช่างคนนี้เสียเอาไว้งาเสร็จเมื่อไหร่ เราจะจัดการฆ่าเขาทันทีเมื่อราชกุมารทรงดำริเช่นนี้แล้วได้ตรัสบอกแกพระสหายคนหนึ่งมานบน้อยบุตรชายของสันชีวกนึกเสียดายนายช่างฝีมือดีจึงได้เอาความนี้ไปบอกกับนายช่างเพื er the the ่อให้นายช่างนั้นเตรียมหนี วันหนึ่งโพธิราชกุมารถามนายช่างนี่แน่นายช่างงานน่นได้เสร็จแล้วหรือยังปราสาทเนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จละ่ะพอยังไม่เสร็จเลยพยะค่ะยังจะต้องทำอะไรอีกมากแล้วยังมีอะไรอีกละ่ะหม่อมฉันจะทรงอธิบายแจ้งให้ทราบในภายหลังพยคะคะ ก็แต่ว่าเบื้องแรกเนี่ยขอให้พระองค์ให้คนเนี่ยขนไม้มาให้ก่อนนายช่างต้องการม้ชิดไหนล่ะก็ไม้แห้งพะยา่ะเออแล้วควรจะเป็นไม้ที่ไม่มีแกนด้วยพะยาพะรัน ไ, ได้ไม้ตามประสงค์แล้วนายช่าง ได้พูดพระราชสุกุมารว่าตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเขาต้องการทำงานที่ปราณีตมากหากใครมาเยี่ยนคุยก็จะทำให้พุ้งสัน้นงานนั้นเสียสมาธิไปได้แม้พระราชสุกุมารเองก็ไม่ควรเสด็จมาส่วนอาหารนั้นขอให้ภรรยาของเขานำมาให้ นายช่างได้สั่งภรรยาให้ขายของที่บ้านทั้งหมดรวบรวมเงินทองไว้เมื่อเขาทํานกบินเสร็จก็ให้ภรรยานําบุตรทุกคนมาแล้วหนีไปทางหน้าต่างปราสาทไปลงที่ทินมวันตะประเทศสร้างนาครขึ้นใหม่นครหนึ่งได้เป็นพระราชาแห่งนคร น, นั้นมีประนามว่ากัทวาหนะณะแปลว่ามีไม้เป็นพาหนะ หรือผู้มีฐานะอันทาด้วยไม้ผู้มีปัญญาและมีธรรมย่อมทาตนให้พ้นไยโดยทางที่ชอบใต้โพธิราชกุมารตรารบการฉลองปราสาท จึงให้อาราธนาพระศาสดาและพิสุสาวกมาเสวยพระตาหารทรงให้ลาดผ้าขาวแผ่นน้อยตั้งแต่ธรณีประตูแรกแห่งปราสาทเนื่องจากพระองค์ไม่มีพระราชโอรสธิดาจึงทรงอธิษฐานว่าหากเราจะมีพระราชโอรสหรือพระราชทิดาขอให้พระศาสดาทรงเหดียบผ้าขาวที่ทรงปูลาดันด้วยเทิด ถึงเวลาพระาศาสดาเสด็จถึงพระองค์ไม่ทรงเหยียบผ้าขาวนั้นพระราชกุมารทูลถึงสามครั้งพระองค์ก็ไม่ทรงเหยียบทรงมองดูพระอานนท์พระอานนท์จึงทูลพระราชกุมารว่าขอให้ทรงนําผ้าขาออกเสียก่อนพระาศาสดาไม่ทรงเหยียบผ้านั้นเมื่อพระราชกุมารทรงเก็บผ้านั้น พระาศาสดาจึงเสด็จเข้าไปในปราสาทเมื่อพระาศาสดาเสวยเสร็จเรียบร้อยแล้วพระราษฎรมานจึงทูลถามว่าหม่อมชั้นเป็นอุปถาของพระองค์ถึงพระองค์ว่าเป็นที่พึ่งถึงสามครั้งคือเมื่ออยู่ในพระคารของพระมารดาครั้งหนึ่งเมื่ออยู่ในวัยหนุ่มครั้งหนึ่งและอีกครั้งหนึ่งคือเมื่อหม่อมชั้นรูรดีรรโชั่วแล้วเมื่อเป็นดังนี้ เหตุไรพระองค์จึงไม่ทรงเหยียบผ้าขาวที่ข้าพระองค์ปูราดไว้ดูก่อนราชกมารพระองค์ทรงตำแหน่อย่างไรจึงทรงปูราดผ้าขาวไว้ข้าพระองค์คิดว่าถ้าข้าพระองค์ทริงได้บุตรหรือธิดาไซขอให้พระาศาสดาจะทรงเหยียบผ้าขาวของเราดังนี้แล้วข้าพระองค์จึงได้ราผ้าขาวไว้ เพราะเหตุนั้นแหละมหาบพิธอาตมาจึงไม่เหยียบผ้าขาวแปลว่ามอมฉันจะไม่ได้บุรหรือธิดาอย่างนั้นหรือถูกแล้วมหาบพิธเพราะเหตุไรพระเจ้าค่าเพราะพระองค์และพระชายาประมาทในการก่อนในการเช่นไรพระเจ้าค่า ตันแล้วพระาศาสดาจึงทรงดำเรื่องในอดีตของพระราชกุมารมาตรัดเล่าให้ฟังดังต่อไปนี้ในอดีตการมนุษย์หลายร้อยคนแล่นเรือไปในมหาสมุทรเรือได้อับกลางลงในกลางมหาสมุทรสองสามีภรรยาได้คว้าแผ่นกระดานและแผ่นหนึ่ง อาศัยแผ่นกระดานนั้นลอยไปจิตอยู่ที่เกาะแห่งหนึ่งมนุษย์อื่นๆถึงความตายหมดสิ้นสองสามีภรรยาอาศัยอยู่ในเกาะนั้นถูกความหิวครอบงำมองไม่เห็นสิ่งอื่นที่พอประทังชีวิตได้เมื่อเปลี่ยนเส่นนี้จึงได้เห็นแต่ไข่นกจิงเผาไข่นกคือหมกให้สุกกินเมื่อไข่นกหมดก็จับลูกนกติ้งกิน เมื่อลูกนกหมดก็ได้จับนกตัวใหญ่กินเขาอาศัยอยู่บนเกาะ น, นั้นทั้งสามวัยจวบจนชราพระกรรมนี้แหละพระราชกุ ม, มารจึงไม่อาจมีพระราชรสเือทธิดาได้พระศาสดาทรงตรัสต่อไปว่ามหาะพิษ หากในวัยทั้งสามวัยไว้ไว1หนึ่งวัยใดในครั้งนั้นพระองค์จะไม่ตรมาจเจริญกุศลธรรมแล้วใสพระองค์ย่อมจะได้บุตรหรือทิดานในอัตภาพพระสุขุมานเอ่ยบุคคลเมื่อรู้ว่าตนเป็นที่รักก็ควรรักษาตนประกับประคองตนด้วยดีในวัยทั้งสามหรือในไวไัยใดวัยหนึ่ง ต่อไปเป็นเรื่องของเศรษฐีผู้ไม่มีบุตรเศรษฐีคนหนึ่งในเมืองสาวถีมีทรัพย์มากแต่ไม่มีบุตรเมื่อเศรษฐีนั้นสิ้นชีวิตลงทรัพย์สมบัติ ถ้ตกเป็นของหลวงพระเจ้าประเสริฐที่โกศลให้ขนทรัพย์นั้นอยู่ถึงเจ็ดวันแล้วเสด็จไปเฝ้าพระศาสดาทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบและทูลเพิ่มเติมว่าเออพระเจ้าค่าทราบว่าเศรษฐีนั้นเมื่อบุคคล นำอาหารอันเมรรถเป็นเลิศเข้าไปเขาก็จะให้ทุกตีคนเหล่านั้นแล้วก็พังว่าเออมนุษย์จะต้องกินอาหารเลิดรสอย่างนี้เชียวหรือพวกเจ้าย่อเยอะเราหรืออย่างไรเมื่อเขาได้กล่าวดังนี้แล้วก็ขับไล่พวกคนเหล่านั้นน่ะหนีไปตัวเขาเองกัดบริโภคข้าวหลายเกวียนกับน้ำหักดองเท่านั้นแล้วกพูดว่า อาหารที่เขาบริโภคนี้แหละเหมาะสำหรับอาหารของมนุษย์และเมื่อบุคคลนาเครื่องบริโภคเป็นต้นว่าเสื้อผ้าและยานพาหนะก็ดีเขาก็จะทุกตีคนเหล่านั้นแล้วพร้อมกล่าวว่าก็มนุษย์จะต้องใช้ของดีอย่างนี้เทียวดอกหรือและแล้วเขาก็ใช้แต่ร่มที่ขาดหรือร่มเก้าเก่ารองเ้าที่ข้างคล้า เกวที่หั ก, กเป็นต้นพระศาสดาเล่าบุปกรรมของเศรษฐีให้พระราชาทรงสดับว่าในอ ธ, ธิการเศรษฐีนั้นต้อนรับพระประเจกพทธเจ้าพระนามว่าตะคราสิกขีได้บอกภรรยาให้เอาข้งใส่บาทแล้วท่านก็ออกจากบ้านไป ภรรยานั้นดีใจมากมากที่นานๆจะได้ทำบุญสักครั้งหนึ่งจึงจัดแจงบริโภคอันตรานีษบรรจุให้เป็นบาตรของพระประเจกพุทธเจ้าฝ่ายเศรษฐีนั้นเล่าเมื่อกลับมาเห็นอาหารอันตรานีษในบาตรของพระประเจกพุทธเจ้าเกิดความเสียดายว่าอาหารอย่างนี้ให้แก่คนที่ไม่ทำอะไรไม่มีประโยชน์ให้แก่ธาตกรรมกรเสียดีกว่า อาหารของเรานั้นชิบหายเสียแล้วอันหนึ่งเศรษฐีนั้นฆ่าล้านชายของตนคือลูกของพี่ชายเพื่อแย่งทรัพย์สินเมื่อพ่อของเด็กสิ้นชีวิตฆ่าแล้วหมกไว้ที่กอไม้แห่งหนึ่ง พระผู้มีพระภาคเจ้าตรับต่อไปว่ามหาบพิอนันใส์งที่เศรษฐีได้ถวายบิณฑบาตแก่พระปัจเจกพุทธเจ้าในครั้งนั้นอำหนวยผลให้เศรษฐีนั้นเกิดในสุคติโลกสวรรค์เจ็ดครั้งแต่เพราะเหตุที่ให้แล้วเกิดความเสียดายในภายหลังจิตของเศรษฐีนั้นจึงไม่น้อมไป เพื่อบริโภคใช้สอยสมบัติอันโอลานแต่พอใจจะใช้ขอแต่เร็วๆบาปที่ข้าหลานแย่งทับนั้นทำให้ต้องตกกระกอยู่หลายแสนปีและเป็นผู้ไรบ้ บ, บุตรทรัพย์สมบัติต้องเข้าคังหลวงอันหนึ่งบุญเก่าขอเศรษฐีนั้นหมดแล้วบุญใหม่อันเศรษฐีนั้นก็ไม่ได้สั่งสมเลยบัดนี้ เข้าไปบังเกิดแล้วในมหาโรรุวะนรกกเป็นรมอันหนักของเศรษฐีนั้นจริงๆพระเจ้าข้าที่ทรัพย์ก็มีได้ใช้สอยบริโภคเอออันหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าเช่นพระองค์ประทับอยู่ในนาทีใกล้ต่เศรษฐีนั้น ก็ไม่ได้ทำบุญกุศลเลยแม้จะ่เพียงเล็กน้อยจึงอย่างนั้นมหาปุบุคุณผู้สามัญญาได้โภคะแล้วย่อมไม่แสวงหาความดีไม่แสวงหานิพานตั้นหาที่อาศัยโภคะก็สามารถฆ่าคนเหล่านั้นเสียได้ เรื่องของอุบาสกชื่อมหาการมหาการอุบาสกนั้นรักษาอุโบสถศีลเดือนละ8วันคือวันขึ้นและแรมเจค่ำ8ค่ำ14่ค่ำและ15้าค่ำ ในวันที่รักษาอุโบสถศีลเขาจะฟังธรรมในวัดตลอดทั้งคืนวันหนึ่งพวกโจรขโมยทรัพย์ในบ้านหลังหนึ่งแล้วเอาทรัพย์นั้นหอของไปเจ้าของบ้านตื่นขึ้นเพราะภาชนะโลหะกระทบกันจึงได้ออกวิ่งติดตามพวกโจรได้หนีกระจัดกระจายกันไปทั่วทิศโจรคนหนึ่งมาทางสระโบครณีหน้าเชตวันมหาวิหาร ทิ้งหอกของแล้วรีบหนีไปก็ในลำดับนั้นมหาการอุบาสกอธิาการฟังธรรมแล้วมาล้างหน้าที่จะโบพรณีนั้นเจ้าของทรัพย์ซึ่งได้ตามโจรมาพอดีเห็นหอกขอของตนและเห็นนายมหาการกำลังล้างหน้าอยู่เข้าใจผิดว่าเป็นโจรจึงได้ทุบนายมหาการจนตาย ย่อมถึงความีินาถ้าข้ารรมประจํมพิสุทั้งหลายออกมาตาักน้ำเห็นนายมหาการนอนตายอยู่อย่างนั้นจึงกลับไปกราบทูลพระาศาสดาว่ามหาการนั้นตายอย่างไม่สมควรเลยพระาศาสดากลัดว่าจริงอยู่ มหาการตายไม่สมควรแกร่กรรมในชาตินี้แต่สมควรแกร่กรรมในชาติก่อนแล้วหนอเมื่อพิสุทั้งหลายอยากทราบเรื่องส่งอ้อนวอนให้พระพุทธองค์ทรงสแสดงบุพกรรมพระพุทธองค์ทรงตรัสเล่าดังนี้ว่า ุนในอดีตการพวกโจรได้ซุ่มอยู่ที่ปากดงแห่งชนบทปลายแดนแห่งหนึ่งในแคว้นของพระเจ้าพารณาศีเพื่อให้ความปลอดภัยแก่ราชฎรพระราชาสิ่งทรงตั้งราชภัฒน์คนหนึ่งไว้ที่ปากดงแห่งนั้นแต่ราชพัฒน์นี้นอกจากจะรับเงินเดือนหลวงแล้วก็ยังรับเงินจากราชฎร อ, อีกด้วยคือ รับค่าจ้างและนำคนผู้เดินทางจากฝากนี้ไปยังภากโ น, น้นจากฝากโน้นมายังฟากนี้วันหนึ่งชายผู้หนึ่งขับยานน้อยมากับภรรยารูปสวยถึงที่นั้นแล้วพระราชพัฒพอได้เห็นภรรยาของชายนั้นก็เกิดความเสน่หาคิดอยากจะฆ่าสามีและเอาหญิงนั้นมาเป็นภรรยาของตน เมื่อบรุษนั้นขอร้องให้เขานำข้ามดงก็ตอบว่าเวลานี้เมื่อเสียแล้วไว้พรุ่งนี้เถิดซึ่งความจริงนั้นก็ยังมีเวลาเหลืออยู่มากแม้ชายคนนั้นจะอ้อนวอส์ักเท่าไหร่ก็ไม่ยอมเขาให้สัญญาณแก่ลูกน้องให้นำยานน้อยนั้นกลับไปที่บ้านของเขา ตอนกลางคืนก็ได้ให้คนใช้แอบเอาแก้มณีดวงหนึ่งไปซ่อนไว้ในยานของบุุษนั้นพอรุ่งเช้าก็ได้โวยวายขึ้นว่าแก้มณีหายและก็ค้นได้ที่ยานของสองสามีภรรยานั้นเขาจึงช่วยกันทุกตีสามีนั้นจนตายเพราะกรรมนั้นเขาไปบังเกิดในอเวจีมานรกเสียนานเพราะวิบากกรรมนั้น เขาจึงถูกทุกถึงตายหนึ่งร้อยอัตภาพประศ า, าะสดาตรัสต่อไปว่าพิสูจน์ทั้งหลายบาปกรรมอันตนทำไว้นั่นแหละย่อมย่ำดีสัตว์ให้เดือดร้อนในอบายสีเป็นต้นบาปอันตนทำไว้แล้วเจอแต่ตนมีตนเป็นแดงเกิดย่อมย่ำดีบุคคลผู้มีปัญญาตาม บุกเพชรเกิดแต่หินจัดกร่องแก้มนีที่เกิดจต่หินฉะนั้น เรื่องของพระโกทฐานเถระดำเนินความว่าตั้งแต่พระโกทฐานบวชวันแรกทีเดียวก็มีสตรีคนหนึ่งเที่ยวติดตามท่านไปทุกคนทุกแผงคนอื่นเห็นแต่ว่าท่านไม่เห็นไม่ใช่สตรีจริง แต่เป็นภาพที่เกิดขึ้นด้วยแรงกรรมที่ท่านได้เคยทำมาเมื่อท่านเข้าไปบิณฑบาตในบ้านพวกชาวบ้านได้ถวายอาหารแก่ท่านสองส่วนพร้อมได้พูดว่าส่วนหนึ่งเป็นของท่านอีกส่วนหนึ่งเป็นของสตรีสหายของท่านถามว่าท่านได้เคยทำกรรมอะไรมาจึ่งเกิดภาพหลอนเช่นนั้นเรื่องดังตอไปนี้จะเป็นคาตอบ ศาสนาของพระพุทธเจ้าพระนามว่ากัสสปะพิสุสองรูปเป็นสหายกันกลมเกลียวกันเอื่อเฟือเสมือนหนึ่งว่าเกิดจากคันมารดาเดียวกันในสมัยนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระชนมายุยืนพิสุสาวกของพระองค์ร่วมประชุมกันทำอุโบสถปีละหนึ่งครั้งหรือทุกๆห ก, กเดือนวันหนึ่ง พิสุสองรูปนั้นออกจากที่อยู่ด้วยกันตั้งใจว่าจะไปทำอุโบสถที่โรงอุโบสถต่ะระหว่างทางพิสุรูปหนึ่งปวดอุจระจึงบอกสหายให้คอยอยู่ก่อนตนขอแวะทําสรีระกิจเล็กน้อยแล้วเดินเข้าไปในพุ่มไม้ ขณะนั้นเทวดาผู้เกิดในดาวดึงขั้นหนึ่งเห็นพิสุทั้งสองรูปนั้นกลุ่มเกลียวกันยิ่งนักอยากจะให้แตกกันเพราะนิสัยเกเรของตนจึงได้รีบลงมือปลอมเพศจปนหญิงสาวแสนสวยคนหนึ่งเมื่อพิสุทำธารีรา ก, กิจเสร็จแล้วเดินออกมาเทวดาในรูปของหญิงสาวแสนสวยก็ได้เดินออกมาจากพุ่มไม้ด้วยทำทีเป็นกล้า ม, มวยผม จับผ้านุ่งให้เรียบร้อยพิสุไม่เห็นหญิงนั้นแต่สหายที่รอคอยอยู่ได้เห็นเทวดารู้ว่าพิสุผู้รอคอยเห็นพฤติกรรมของตนแล้วจึงได้หายไป mm hmm. เมื่อพิสุรูปนั้นเดินเข้ามาใกล้พิสุผู้รอคอยก็ได้กล่าวขึ้นว่าขอท่านหูมีอายุ เอเสียนของท่านน่ะมีบาดเสียแล้วทำไมหรือท่านข้าพเจ้าไม่ได้กระทำกรรมอันใดเลยแล้วกรรมอะไรล่ะจะเป็นเหตุให้เสียวิบัติท่านไม่เห็นตั้งแต่ข้าพเจ้าอ่ะเห็นข้าพเจ้าเห็นหญิงสาวรุ่นคนหนึ่งเดินตามหลังท่านออกมาจากพุ่มไม้เธอกล่าวผมเสียใหม่แล้วก็จัดแจงผ้าดงให้เรียบร้อย การเข้าไปของท่านก็ไม่ใช่ว่าจะปราดีประดาบอะไรเพ่ออาการอย่างนี้จะให้หมายความว่าอย่างไรล่ะนอกจากนอกจากสีของท่านได้ถึงความวิบัติกับสตรีนั้นแล้วท่านจะได้ปฏิเสธและข้าวาเจ้าก็ได้เห็นกับตาด้วยตนเอง พิสุจันฟังแล้วมีอาการเหมือนประหนึ่งว่าสายฟ้าได้ฟาดรงที่กระหม่อมกล่าววิงวอนขอความเห็นใจว่าท่านอย่าให้ข้าพเจ้าต้องพิบัติเลยข้าพเจ้าไม่ได้จะทำอย่างนั้นแน่แต่พิสุผู้เป็นสหายไม่ฟังได้มีความแตกคอกันต่างคนต่างก็แยกกันเดินทางไปเมื่อถึงโรงอุโบสถพิสุผู้เห็น ไม่ปรารถนาจะทําอุโบสถรูมเพราะถือว่าอีกรูปหนึ่งไม่มีศีลเสียแล้วเธอได้บอกแก่สงในที่ชุมนุมนั้นว่าได้เห็นมาอย่างไรส่วนพิสุผู้ถูกกล่าวหาได้พยายามชี้แจงในที่ประชุมสง์ว่าม่ได้กระทำกรรมอย่างนั้นมอไม่เห็นความเศร้าหมองแห่งศีลของตนแม้เท่ า, มาเมล็ดงาจึงได้อ้อนวอนขอความเห็นใจจากสง์ ในลำดับนั้นเทวดาเห็นว่าเรื่องจะไปกันใหญ่จึงได้ร้อนตัวครัวบาปกรรมจึงปรากฏอยู่ในอากาศประกาศออกมาว่าข้าพเจ้าเป็นแพทย์อยู่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงขอกล่าวที่แจงแก่พระคุณเจ้าทั้งหลายได้ทราบว่าข้าพเจ้านั่นเองที่ปลอเมเป็นสตรีแล้วเดินออกจากผู้ไม้ตามหลังพระคุณเจ้ารูปนั้น ข้าพเจ้ามีความประสงค์จะทดลองความสมัคคีว่าพระกุณเจ้าทั้งสองรูปนั้นได้มีความกรงเกลียวหนักแน่นเป็นอย่างไรขอให้พระกุณเจ้าทั้งสองและพระกุณเจ้าอื่นๆได้โปรดอดโทษยกโทษแก่ข้าพเจ้าด้วยเถิดและขอให้พระภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจงร่วมกันทำอุโบสถต่อไป เมื่อเป็นชิน้นนี้พิสุขผู้เห็นจึงได้ยอมทำอุโบสถร่วมกันแต่ว่าความชนิดชิดเชือ้อก็ไม่ได้เกิดขึ้นเหมือนอย่างเคยเมื่อสิ้นอายุพระพิสุทั้งสองก็ได้ไปบังเกิดในเทวโลกฝ่ายเทวดาได้สุติจากเทวโลกแล้วไปบังเกิดในอเวจี G, มหานรก มกไม้อยู่ในเอเวจีพุทธันดรหนึ่งก็ในการแห่งพระพุทธเจ้าของเรานี้ท่านได้เกิดในเมืองสาวัตถีเมื่อจะเดิมไวยก็ได้บรรพชาอุปสมบทจำเดิมตั้งแต่วันที่ท่านได้อุปสมบทแล้วรูปสตรีก็ได้ปรากฏขึ้นตามเบื้องหลังของท่านพิสุททั้งหลายจึงเรียกท่านว่าโกทฐาน พิสูจนทั้งหลายเห็นปรากฏสถานเที่ยวไปอย่างนั้นคือมีสตรีตามหลังอยู่เสมอจึงมีความรังเกียจแต่ฟ้องท่านอนาถวาิจิกาเศรษฐีเจ้าของวัดเชตวันว่าให้ขับไล่ปรากฏสถานออกเสียจากวิหารเศรษฐี ก็ได้ทราบแล้วก็ได้ถามว่าพระศาสดาประทับอยู่ไม่ใช่หรือเมื่อทราบว่าพระศาสดาประทับอยู่เศรษฐีจึงตอบกับพระทั้งหลายว่าถ้ากระนั้นพระศาสดาก็คงจะทราบเรื่องนี้เป็นอย่างดีพิสุทธ์ทั้งหลายก็ได้พากันไปฟ้องนางวิสาขาเจ้าของบุคภารามเช่นเคยนาง ได้ตอบเช่นเดียวกับท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีต่อจากนั้นที่สุ ye, ทั้งหลายจึงได้นำเรื่องนี้ทูลแด่พระเจ้าประเสริฐโกศลก็ในลำดับนั้นพระเจ้าประเสริฐโกศลจึงได้เฉลจมายัางเชตมวนารามพร้อมด้วยค้าราบบริพารจำนว น, นมากให้ราช บ, บุรุษ ล้อมเสนาสนะที่อยู่ของพระโพธาานไว้แล้วทรงผินพระพักตรงไปยังด้านหน้าของกุตินั้นพระเถระได้ยินเสียงอืงคนหนึงจึงออกมายืนอยู่เบื้องหลังของท่านพระเถระทราบว่าพระราชาเสด็จมาจึงออกมาต้อนรับนั่งที่สมควรแห่งหนึ่งพระราชาเข้าไปหาพระเถระแต่ก็ไม่ได้ทรงประคองอัญชลี ไม่ได้ทอดพระเนตรเห็นสตรีนั้นทรงตรวจดูทุกแห่งแม้ที่ใต้เตียงก็ไม่ได้เห็นสตรีนั้นเลยจึงได้ตรัสถามว่าประท่านผูเ้เจริญข้าพรเจ้าเห็นสตรีผู้หนึ่งยืนอยู่เบื้องหลังของท่านขณะที่ท่านยืนอยู่ที่นามุกอบัตินี้สตรีนั้นน่ะหายไปไหนเสียเล่าสวามิพระพรตอาจจะมาไม่เห็นสตรีนั้นเลย เมื่อพระราชาทรงยืนยันว่าได้ทอดพระเนตรเห็นท่านก็ถวายพระพรว่าท่านไม่ได้เห็นพระราชาจึงยิ้มนต์ให้ท่านลองไปยืนที่หน้ามุกอีกครั้งก็ปรากฏว่ามีรูปสตรีปรากฏอยู่เบื้องหลังของท่านพอพระราชาเสด็จขึ้นไปเมื่อพระเถระนั่งลงต้อนรับภาพสตรีนั้นก็ได้หายไปพระราชาก็ให้ค้นดูทุกแห่งก็ไม่พบ เออฉนยสตรีนั้นไปอยู่ที่ไหนล่ะพระปุเจ้าโปรดบอกเถิดอาตมาไม่เห็นมหาปภิษออแต่ข้าพเจ้าเห็นกักครูนี้เองนะครับขอสวายพระพรคนทั้งหลายก็พูดกันอย่างเนี้ยเหมือนกันแต่อตาต ม, มาภาพนั้นไม่เห็นสตรีนั้นจริงๆพระราชาจึงขอให้พระเถระลองไปยืนดูอีกครั้งหนึ่งก็ได้ทอพระเนตรเห็นสตรีนั้นอีกคราวนี้ ทรงแน่พระภัยว่าเป็นภาพหลอกหาชาสตรีจริงๆไม่จึงตรัสกับพระเทะเระด้วยความกรุณาว่าประกุลเจ้าครับก้อนที่มีรูปผานเศร้าหมองแก่สมณเพศและเถี่ยติดตามอยู่เช่นนี้หาเป็นมงคลไม่คนส่วนใหญ่จะไม่ถวายพิษสาแก่ท่านเพราะฉะนั้นขอท่านจงเข้าไปในพระราชวังอเนินนิพรัอาหารบิณฑบาตของข้าพเจ้า ท่นแล้วพิสุท์ั้งหลายได้ทราบเรื่องนี้แล้วจึงได้โพนธนากันว่าดูาเธอท่านผู้มีอยู่ทั้งหลายขอท่านทั้งหลายจงดูกิริยาของพระราชาอัลลามกได้ประวรณาแกพระโกทฐานด้วยปจัจจยศีอูแทนที่จะขับไล่ออกจากวิหารโอ้ยจริงๆเลยพระราชาเรานี่ เมื่อพิสูจนทั้งหลายไปพบพระโกธทานจึงได้เรียกว่าเฮ้ย hey, พระโุเซนมาแล้วเออบัดนี้พระราชาก็กลายเป็นคนชั่วช้าไปแล้วด้วยพระโกธทานนั้นก่อนหน้านี้ไม่เคยเอ่ยปากโต้ตอบใครเลยแต่บัดนี้ได้พระราชาเป็นกำลังสนับสนุนจึงกำเริบเติบใจได้กลาตอบโต้พระพิสูจนทั้งหลายว่า พวกข่านทั้งหลายนั่นแหละเป็นผู้ทุศีนพวกข่านเป็นคนชั่วช้าและพวกข่านได้พาผู้หญิงเที่ยวไปจากนั้นเองพิสูจทั้งหลายก็ได้นำความนั้นกราบทูมิพระาศาสดาพระาศาสดาสุขเจ้าทรงเรียกมาทั้งสองฝ่ายตรัสถามพระโก ธ, ธานก่อนว่า โกนตะธานทำไมจึงได้พูดอย่างนั้นเล่าก็เพราะพิสูจน์ทั้งหลายเหล่านี้ว่าข้าพระพุทธเจ้าก่อนจิเพราะเหตุใดพวกเธอจึงว่าโกนตะธานข้าพระพุทธเจ้าเห็นผู้หญิงผู้หนึ่งเดินตามหลังพระโกนตะธานอยู่เสมอพระเจ้าข้าพิสูจนเหล่านั้น เห็นหญิงเที่ยวไปกับเธอจึงได้กล่าวเช่นนั้นแต่เธอไม่เห็นหญิงเที่ยวไปกับพิสุเหล่านั้นเลยเหตุไฉนจึงได้ไปด่าว่าเขาการที่เธอมีภาพหญิงเที่ยวติดตามไปเบื้องหลังนั้นก็เพราะกรรมอลามกของเธอในอดีตเหตุไฉนบัดนี้เธอจึงถือที่ถีชั่วนั้นอีกเล่า จากนั้นพิสุทั้งหลายก็ได้ทูลถามว่าพิสุชื่อโกฏิธานได้ทำกรรมอะไรไว้พระาศ า, าสดาก็ทรงแสดงบุปผกรรมของท่านในสมัยที่ท่านเป็นเทวดาแล้วตรัสเตือนพระโกฏิธานต่อไปว่าโกฏิธานเอยเธออาศัยกรรมอันชั่วช้าของตนจึงได้รับผลกรรมอันแปลกประหลาดเช่นนี้แล้ววันนี้ การถือทิศสี่ชั่วหาควรไม่เธออย่าว่ากล่าวโต้เถียงพิสูจเท่าไรอีกเลยจงสงบปากสงบคำเหมือนกลางสดานที่เขาเลาะเอาปากออกเสียแล้วเมื่อทำได้ดังนี้เธอจะบรรลุนิพพานทำงานทุกคนทั้งหลายจง ลำดับนั้นพระาศาสดาทรงสืบอนุสสนทิแสดงธรรมต่อไปว่าท่านอย่าได้กล่าวคำหยากกับใครๆเมื่อเขาถูกด่าว่าก็จะด่าว่าท่านตอบมาอันการกล่าวแข่งดีกันนั้นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์โทษต่างๆคืนหวนตรับมาถูกต้องท่านถ้าท่านทำตนไม่ให้หวันไหวดูอย่างความสงบเฉย ไม่มีปากไม่มีเสียงเหมือนกลางสดานที่ปากขาดแล้วท่านก็จะถึงนิพพานการกล่าวแข่งดีกันก็จะไม่มีแก่ท่า น, นมาเมื่อพระโกนถทานตั้งอยู่ในโอวาที่พระาศาสดาทรงประทานแล้วไม่นานนักก็ได้บรรลุเป็นพระอภรณ์ต่อมา การยกย่องจากพระศาสดาว่าเป็นผู้เลิศในการจับสลาลนกนัววมมดมดดดงาชชุี่สรรบพะะ